วันนี้เป็นวันที่16เมษายนพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจุดวันหยุดราชการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนในชาติมาพบปะพ่อแม่พี่น้องบงสาคณนายาตจะมาหยุดงาน การหยุดงานคราบนี้บางคนก็ใช้ในเวลาหยุดราชการเวลาหยุดงานทําให้เกิดประโยชน์แต่บางคนก็ทั้งที่เขาจะให้เกิดประโยชน์ตัวเองก็กลับไปทําโทษมีช่องว่างในการในวันหยุดไปทําความชั่วเสียหายก็มากต่อมากทั้งที่วันเช่นนี้ตั้งแต่วันที่ส0 สองสิบสามจนถึงวันที่สิบผู้ที่ที่ทำคุณงามความดีก็มากมายผู้ที่ทำความชั่ว น, นก็มีอยู่บ้างจะมากก็คงจะไม่มากเท่าไหรม่มั้งแต่ถึงยังไงคนที่ติดคุกที่ทำโทษในวันนี้ก็คงจะไม่น้อยอีกเหมือนกันเพราะมีเวลามา ก, กทำความเสียหาย ได้มากอีกเหมือนกันเพราะใช้เวลาได้ใช้เวลามากเพราะนั้นการเวลาการเวลาเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อผู้มีผู้ที่ใช้ปัญญามีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีก็ใช้เกิดประโยชน์ในเวลามากเหมือนกับคนอายุยืนถ้าอายุยืนไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวไม่ใช่นะถ้าอายุยืน มีธรรมความชั่วเสียหายตลอดทั้งชีวิตคนนั้นชีวิตยืนมีธรรมความชั่วมากพราะอะไรเพราะอายุยืนแล้วก็ทำความชั่วจนถึงวันตายความชั่วนะั้นทวีคูณมากขนาดไหนแต่ถ้าว่าผู้ที่อายุยืนแต่มีแต่สังสมคุณงามความดีอย่างองค์หลวงตามหาบวัว ต, ตั้งแต่เป็นพระน้อยพระนมจนถึงอายุไขของท่าน อายุ90้าสเจ็ดปีท่านมีแต่สังสมคุณงามความดีมีแต่กเกือก้อคุนหนุนหนุนประเทศชาติบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุทั้งด้านศิลธรรมจริยธรรมแนะนําสั่งสอนเป็นตัวอย่างของคนในชาติเป็นคุณค่ามหาศาลถ้าอายุยืนมากกว่านั้นก็มียิ่งมีคุณค่ายิ่งมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ต่อพี่น้องลูกหลานทุกหมู่เหล่านี่แหละคาว่าอายุยืนก็ไม่ใช่จะดีอย่างเดียวนะก็เป็นสองเหมือนกันเพราะเราโลกนะี่มันโลกสองมันมืดกับแจ้งนะหยุดนานก็เหมือนกันถ้าหยุดนานก็ทำคุณงามความดีมากมายผู้ที่จะทำความชั่วก็ทำความชั่วได้มากมายเหมือนกันเนี่ยปีนี้มันยอด ยอดผู้ที่ตายไม่รู้เท่าไหร่ปีนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ต้องมีทุกปีแต่ตามไม่จริงก็มันก็เหลือพิสัยบางครั้งแต่บางครั้งตัวเองก็ทั้งที่เขาห้ามเขาบอกเขากล่าวแล้วก็ยังไปขืนทาอยู่อย่างที่ว่าไม่ให้ดื่มสุราหน้อย่างเนี้มันก็ไม่งดไม่หยุดในเมื่อไม่หยุด ดื่มเข้าไปแล้วก็ผลมันเป็นยังไงแหมเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็เมาเมาแล้วก็ขาดสติพอขาดสติแล้วก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างนี่แหละอันนี้ก็คือที่ทําให้คนพวกเรากลุ่มประเทศชาติของเราได้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี่กันนี่แหละคือนานาจิตต่งนางนานาทัศนะของคน แต่บางคนก็คิดไปในมุมหนึ่งอีกบางหนึ่งก็คดคิดไปในมุมหนึ่งแต่ถ้าคิดไปในมุมดีเอ่ไปในในการสร้างสรรคนะ์คิดไปในการสร้างสรรค์พัฒนาแต่ไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นการสร้างสรรค์ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะอันนี้มันของหาได้ยากนะอย่างที่ท่านเคยพูดในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าคนที่มีปัญญา แล้วไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่รังแกคนอื่นมีแต่ให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยสติปัญญาของเรามีแต่เกื้อหนุนคนอื่นด้วยสติด้วยปัญญาของเราหาไดย้ยากแต่โดยมากผู้มีปัญญาทั้งหลายชอบเอารัดเอาเปรียบชอบรังแกคนอื่นเพราะว่าเห็นจุดโง่ของเขาที่เขาไม่รู้ เราเห็นจุดบอดจุดที่เขาไม่รู้เนะ่ถ้าว่าเราเกี่ยวกับการเงินเราก็เอาเปรียบเรื่องการเงินถ้าเราทำงานเราก็เอาเปรียบเขาเรื่องงานถ้าเราอยู่ในประเภทไหนเราก็เอาเปรียบเขาในประเภทนั้นเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาที่เหนือกว่าเขานี่แหละถ้าถาว่าผู้ที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมในจิตใจจะไม่เอาเปรียบไม่รัดเอาเปรียบ ค่อยพยุงเขาที่เขาไม่รู้นะแต่บางคนก็อย่างว่าอีกเหมือนกันเหมือนกับช่วยให้เขามีความสุขเหมือนกับช่วยงูเห่าขึ้นมาจากน้ำแลกษณะนั้นก็มีเหมือนกันนะั้งทีคนที่มีปัญญาแต่ก็ช่วยขึ้นมาพอช่วยขึ้นมาแล้วตั้งตนตั้งตัวได้ฉกคนอื่นก็มีอีกอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถึงยังไง ถ้าเรามีปัญญาสักอย่างนะถึงจะเอาขึ้นมาเราก็ต้องตีกรอบให้มันอยู่อีกเหมือนกันนะงูเหา่าอย่ามันมาใกล้เราฮนะเพราะเรามีปัญญากว่ามันอย่าไปใกล้มันนะไม่ใช่เอาขึ้นมาแล้วก็มาพันคอพันแขนตัวเองเผื่อเผื่อวกัดไดไง้ง่ายๆอีกเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าปัญญาคํานี้นะมันก็ต้องรอบคอบทุกด้านทุกอย่างนะการเป็นอยู่ทุกอย่างนี่แหละขอให้พวกเรา พุทธศาสนิกชนลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องช่วยการคิดนะถ้าจะว่าไปวัดวาศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหมู่หลายคณะหลายกลุ่มหลายวิชาอาชีพหลายแนวความคิดที่เข้ามาเนี่ยพ่อเข้ามาแล้วก็หลวงพ่อโดยมากบางครั้งหลวงพ่อก็ฟังเหมือนกันนะ ฟังแนวความคิดของเขาคือบางครั้งแสดงความคิดเหตุขึ้นมาก็เป็นหน้าฟังของเขาแต่หลวงพ่อเขาฟังเพราะเขาทำงานหน้าที่นี้ทำอาชีพนี้แล้วก็ทำเขาเดินอย่างไรในอาชีพของเขาหลวงพ่อเขาฟังฟังแต่บางครั้งก็หลวงพ่อก็เอาแนวความคิดของของหลวงพ่อเองให้แกคณะรัตยาญาติโยมได้ฟังเพราะจะไปฟังแต่เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เราเป็นพระที่อยู่วงในก็จะต้องแสดงความคิดเห็นเรื่องศีงลธรรมบาปอย่างนี้นะบุญอย่างนี้นะนรกอย่างนี้นะสวรรค์อย่างนี้นะสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราคือใครหลวงพ่ออธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่บางครั้งอย่างหม อ, องนีมาพูดให้ฟังว่าเท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์มีสูตรพิเศษไหมเอาสูตรอะไร ส, สูตรที่คนป่วยหนักแล้วเนี่ยอาการดูแล้วไม่อย่างไรก็ไม่หลอดตายแน่ๆในความคิดของหมอแต่ที่เขาไม่ยอมแต่หมอเนี่ยที่รักษาเนี่ยจะใช้แนวความคิดอย่างไรจะสอนเขาอย่างไรจะบอกเขาอย่างไร จะให้เขาเข้าใจในในเรื่องที่เขาป่วยอยู่เดี๋ยวนี้จะไม่รอดอยู่ดีนยจะสอนเขาอย่างไงถ้าจะสอนอย่างพระก็ไม่ใช่เรื่องถ้าหางว่าเราจะพูดตรงๆเดี๋ยวก็จะหาปับหาปับหมอเอ้จ่วงจับบอกเขาให้เขาตายฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็อักกระ อ, อ่วนแล้วเอจะพูดจะพูดว่าคุณหมด นะนะหมดความสามารถของหมอแล้วนะก็ะพูดอย่างนั้นไม่ได้อีกแต่ตามไม่จริงปัรพอเพียงแตปง่ประทังประทังแต่ถึงยังไงการรักษานี่บางทีเจาะท้องออกมาเนยน้ำไม่รู้ว่ากี่ลิตรสามสี่ห้าลิตรออกมาจากท้องน้ำสีเหลืองน้ำสีแดงกระบอกอะอื่นอันนี้คงจะบอกให้ญาติถ้าเป็นลักษณะนี้จะอยู่ไม่ได้นานนะ แต่ไม่กล้าพูดที่จะให้เจ้าของตัวเขาฟังอีกนี่แหละแต่ตามไม่จริงเราจะพูดอย่างไงให้เขาได้ฟังในจุดนี้ถ้าคาว่าผู้มีกําลังหรือว่าผู้ที่ป่งตกพอได้ฟังจากเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้พวดาวนาหรือว่าทำใจกําหนดตูวใจหรือสังสมคุณงามความดีไม่แห่งพ่ต ก, กงังวลอันนี้ดูๆแล้วมันรู้สึก โกรธอารมณ์โมโหโกโรธาโกรธให้ใครต่อใครในขณะที่ตัวเองป่วยลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นผมอยากจะขอสูตรพิเศษจากหลวงพ่อหนะลวงพ่อพอจะมีสูตรพิเศษหอที่พูดให้เขาเข้าใจในจุดเนี้ยผมว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเขาอย่างมากนะหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็เออหลวงพ่อก็ไม่ได้ หนังสือตตตไ น, นสิว่าตตตก็ยังกว้างอยู่หลวงพ่อกพรว่านะเอาให้แคบกว่านั้นอีกโอ้ไม่รู้จะพูดแคบยังไงแล้วจะเนี่ว่าเนี่ยแหละอันนี้คือแนวความคิดของหมอที่พูดหลวงพ่อฟังแล้วแบบอืมน่าคิดนะแต่ว่าทั้งหมอทั้งผมหลวงพ่อก็เคยได้อ่านได้อ่านในทฤษฎีของหมอในความคิดของหมอเขาก็พูดแต่ว่าจะเป็นผูย่าตายาย ผู้ใหญ่ใครก็าตามถ้าไปอยู่ในนอนในห้องไอจอยู่อย่าไปคิดอยไปฝากคนไข้ไว้กับหมออย่างเดียวไม่ถูกนะเออใครไขม่าหมอก็จริงอยู่แต่ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดเนี่ยต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนต้องเข้าไปดูอยู่เรื่อยให้แต่หมอใช่หมอเป็นผู้ดูแลรักษาแต่ว่าคนป่วยนะั่นแหละนะไม่กับหมอเนี่ยเออ มันไม่ไม่อันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่อบ่นนะไม่เหมือนญาติพี่น้องเข้าไปให้ถ้าญาติพี่น้องเข้าไปเนี่ยคนป่วยน่ะจะอบ่นแล้วก็มีคล้ายๆกับไว้เนื้เชื่อใจแต่มีแต่หมอเข้าไปมีแต่รักษาอย่างเดียวหมอจะมีคนป่วยนล้วจะมีอารมณ์เครียดแต่ไม่พูดเหมือนกับลูกหลานญาติพี่น้อง ปล่อยให้เขาไปตายคนเดียวอยู่ในห้องไอ u คนเดียวสิ่งเรานี้เห็นได้ชัดไม่รู้ว่ากี่รายตัวกี่ลายผมรักษาคนไข้ามาเป็นลายสุดท้ายลายสุดท้า ย, ยโดยมากจะลักษณะอย่างนั้นคนไข้จะเครียดโมโหคล้ายๆว่า ใ, ในใจบอกว่าเขาอยากจะให้เราตายเพื่อเราตายแล้วเขาจะได้รับมาออกมรดกเขาอยากจะให้เราตายคนป่วยไม่ได้คิดว่าเออ ลูกหลานมีกิจธุระมอบให้หมอแล้วหมอจะเป็นผู้ดูแลแทนพวกเราแล้วคนไข้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดอีกมุมหนึ่งโดยมากเป็นลักษณะอย่างนั้นที่เห็นเห็นเพราะนั้นพวกลูกหลานต้องเข้าแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมในขณะที่เข้าไปเยี่ยมอย่าไปพูดเรื่องการราะงอิวาสกันให้คนป่วยฟังอันนี้ก็สาคัญและก็พร้อมกันอย่าไปคิดจะไปพูดเรื่องมรดก เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดงที่ดินห้ามพูดเด็ดขาดในขณะที่คนป่วยอาการหนักสิ่งเหล่านี้หมอเขาเขาบอกไว้นะอันนี้ผมเคยเห็นอันนี้เขาเขาก็พูดให้หลวงพ่อฟังเพราะหลวงพ่ออยู่ในกลุ่มคนได้ฟังมากมอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้หลวงพ่อเองพอได้ยินขึ้นมาหลวงพ่อเออ แล้วก็ควรจะบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมจรุปแล้วแต่วันนี้เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ะแต่งหลงพ่อเนี่ยกลับมาให้เตรียมพร้อมจุดนี้นี่แหละไม่ว่าปีใหม่ไม่ว่าปีเก่าความเตรียมพร้อมจุดนี้มันต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าปีใหม่ไม่ว่าปีเก่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าว่าพวกเราไม่คิดในเรื่องจุดจุดนี้เอาไว้ วันจุดท้ายอย่างที่ว่านยจะให้หมอจะให้ไปฟังธรรมะหรือไปฟังแนวความคิดในจุดนั้นในช่วงนั้นมันรับไม่ได้หลวงพ่อบอกกับหมอรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เคยคิดไว้ก่อนแต่ถ้าว่าพวกที่เคยมีได้ศึกษาธรรมะเป็นแนวทางไว้ก่อนแล้วอันนั้นพอได้ยินเงื่อน รู้ว่าได้ยินคำตักเตือนเขาจะวิ่งเข้ามาหาธรรมะเข้ามาหาจุดยืนของเขาเขาจะตั้งหลักได้ทันทีอันนั้นก็จําเป็นสำคัญเหมือนกันบางทีมันก็คิดไปทางนอกเฮ้ยทำไมจะจะหายท้งไงจะจะหา ย, าหายมีแต่คิดจะหายอย่างเดียวแต่หมอเนี่รู้แล้วว่าไม่หายแน่ถึงขั้นนี้แล้วไม่หายจุดนี้ก็ต้องบอกแค่ต้องบอกผู้ใกล้ชิดเออถึงจะหายหรือจะตาย ถึงจะหายขาวนี้ข้าวหน้าก็ตายอีกเหมือนกันนั่นแหละให้เตรียมพร้อมนะเพราะชีวิตของเราเป็นถองเป็นเถียงแท้แน่นอนแต่ถึงจะไม่บอกตรงๆก็บอกเสียดๆไกลๆให้ผู้ที่ได้ยินแล้วก็จะตั้งหลักได้เออใช่จากนั้นจิตใจก็จะได้รับความสงบหมุนก็มาหาจิตใจตัวเองแล้วก็ตั้งหลักได้ถ้าคนนั้นออกจาก ช่วงชีวิตนั้นก็ไม่เสียท่าเสียทีเลยแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตือนกันและไม่ได้บอกกันโดยมากจะเป็นอีกมุมหนึ่งลักษณะหนึ่งนะที่หมอหมอเขาพูดฟังๆัดได้เราก็เออหน้าคิดเหมือนกันนะบางทีมันมีแต่อารมณ์โกรธออมีแตจ่จะหายอย่างเดียวทางคนที่ดูแลเฝ้านี่ก็หลายปีมาแล้วจนเหนื่อยเอือมละอา แต่ไม่กล้าที่จะพูดแต่คนที่ป่วยนั้นก็คิดว่าตัวเองจะหายอยู่ตลอดอา้าวแปลงดินแปลงนั้นเอาไปขายห้องแถวนั้นเอาไปขายเอามารักษาผลที่สุดก็เลยไม่รู้ลูกหลานจะกินอะไรเพราะจะมารักษาตัวเองทั้งหมดเออแต่ว่ารักษายัางไงหมอกรู้แล้วรักษายัางไงก็ไม่หายเออเพราะมันเป็นโรคที่จะต้องถึงจุดจบอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้เนะ่ยจะทํำยังไงหลวงพอ่อ จะทำให้คนป่วยเข้าใจโอ้ไม่ใช่ง่ายนะจุดนี้เป็นจุดหัวเลว้หวหัวต่อเป็นจุดที่ยุ่งยากมากถ้าไม่ศึกษาธรรมะไว้แต่นน่นดถ้าศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจไว้แต่นนเอจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจคือชีวิตของเรามาถึงจุดนี้แล้วเนอะเอาถึงค้าวแล้วก็เอาไป โดยมากมันจะทำได้ยากอันนี้คนไม่เคยคิดอย่างนี้ไว้ก่อนถึงวันนั้นเข้ามาปุกปับเข้ามาให้คิดอย่างนี้นะให้สู้อย่างนี้ไม่รู้จะสู้ยังไงเอมันสับสนวุ่นวายไปหมดวัฉนั้นจะตั้งสูตรขึ้นมาจะตั้งสูตรยังไงมันยากคือนะหมอนะตรวงพ่อพูดว่าพิจารณาดูแล้วกันนะไม่มีอย่างอื่นต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆอย่างเดียว ให้ศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจว่าแต่เนิ่นๆต้องพิจารณาไว้อยู่เสมอปู่ย่าตายายพ่อแม่วงศาคณาญาติของเราอหมู่มิตรสหายของพวกเราไปไหนหมดอก็ล้มหายใจใตายจากไปอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องไปเหมือนกับหมู่มิตรสหายแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเปลี่ยนภพเปลี่ยนเปลี่ยนชาติเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านเองเอ เพื่อผ้าพืนนี่มันเก่าแล้วมันขาดแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อันนี้ก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติก็ลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้แล้วทีแรกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นมนุษย์พอเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้มันยากจนอาจจะไปนุ่งเสื้อผ้าหมูหมากาไก่ก็ได้สิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนักวางียมพร้อมจุดนี้ก็น ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดอีกเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้ถ้าท่านได้ปฏิบัติถ้าท่านศึกษาได้รู้ได้เห็นมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ให้แนวความคิดส่วนหนึ่งคือส่วนที่ปีใหม่ ปีใหม่ทั้งที่จะเตือนว่าจะทำยังไงจึงจะร่ำรวยทำยังไงจะมีความสุขทั้งยังไงจะมเีเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดินะ์เนี่ยแต่หลวงพ่อกลับแนะนำว่าอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมให้ระ ล, ลึกถึงคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะวันไหนหอันนี้หลวงพ่อเตือนจุดนี้นะเพราะว่าเตือนจุดนี้นะ หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อเตือนไม่ผิดก็แล้วกันเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่คิดว่าตัวเองจะไม่หนีจากโลกเฉลยไม่คิดว่าตัวเองจะออกออกจากโลกนี้เลยนะ่ยอันนั้นแปลว่าเป็นความคิดผิดเป็นความคิดผิดแต่ว่าถึงยังไงถึงพวกเราจะไม่คิดอยู่ในโลกก็จริงอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านก็สอนว่า เราอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำดีที่สุดในเมื่อในอย่างที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าหัวหน้าวัดหลวงพ่อพยายามทำดีที่สุดในขณะที่หลวงพอมีชีวิตอยู่ทุกท่านาก็ทำดีที่สุดในขณะที่ตัวเองทำแต่ในใจลึกๆนะในใจลึกๆของหลวงพ่อหลวงพ่อก็คิดเออหลวงพ่ออินถึงท่านจะทา ดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดต้องคิดไว้อย่างนั้นเสมอนะจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีหลวงพ่ออินต้องทําสิ่งนั้นให้มากต้องทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในขณะยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องคิดเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องเสียใจว่าข้าไม่ได้ทําอย่างนู้นข้าไม่ได้ทําอย่างนี้ทําให้ดีแต่สิ่งไม่ดีอย่าทะ อันนี้คือภาษาใจลึกๆของหลวงพอ่อเนี่ยแหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีภาษาใจลึกๆไว้ในใจอีกเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้สอนแต่พวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่นสถานที่ใดทดําดีอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อทําดีแล้วคุณงามความดีแหะจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราไปณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุกตลอด ต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร